พราะผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายเขาปฏิบัติเช่นนั้นพระองค์ก็ตักเตือนเช่นนั้นแหละขณะเดียวกันก็เตือนว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิจิตพิสดารงดงามปานใดสังขารทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่ยั่งยืนอันนี้ก็คติอุทาหรณ์จากมหาสุทัศนสูตรเป็นเหตุผลที่พระองค์เรียกว่าใช้ความอุตสาหะกระอักเลือดมาระหว่างทางก็มาเพื่อจะแสดง พระสูตรนี้ถ่ายออกมาเป็นเลือดก็เพื่อจะมาแสดงสูตรนี้เหน็ดเหนื่อยในระหว่างทางเนี่ยแทบจะเรียกว่าหอบเหนื่อยเพราะว่านั่งพักในระหว่างทางเป็นสิบครั้งก็เพื่อจะมาแสดงพระสูตรนี้อันนี้เป็นเหตุผลที่หนึ่งเหตุผลที่สองที่พระองค์ปริญนิพนธ์ที่เมืองกุสินาราเพราะพระองค์จะได้แสดงธรรมโปรดสุภัฏฐปริภาชกให้เป็นสาวกองค์สุดท้ายที่เป็นพระอรหันต์ที่พระองค์สอนแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ตอนที่พระองค์ มีพระชนอยู่เป็นสาวกองค์สุดท้ายแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะคำสอนที่พระองค์สอนสุพัฏะก็เป็นคําสอนที่เป็นอมะตะเป็นคําสอนที่ยืนยันว่าแรกตรัสรู้พระองค์สอนเช่นใดก่อนปรินิพานพระองค์ก็ยังยืนยันสอนข้อปฏิบัติเช่นนั้นแรกตรัสรู้พระองค์บอกว่ามัชชิมาปฏิปทาอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดเท่านั้นแหละที่จะเป็นไปเพื่อทําจักสุญานปัญญา อ่ น, นะสัมโพธายะคือความรู้ยิ่งความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานให้ให้เกิดขึ้นการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรคผลนิพพานที่แท้จริง<ๆ>ก็ต้องปฏิบัติไปตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดหรือตามโพธิปัจจะธรรมแรกตรัสรู้พระองค์ยืนยันฉันใดก่อนปรินิพพานพระองค์ก็ยังยืนยันฉันนั้นและแรกตรัสรู้พระองค์ก็สอนอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดซึ่งภิกษุ ป, ปัญจวัคคีย์ก็บรรลุมรคผลฉันใด ก่อนปรินิพานพรลวงก็แสดงอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดให้สุพัทธะปริธาชกฟังซึ่งท่านก็ปฏิบัติแล้วบรรลุมรรคผลนิพานฉันนั้นเหมือนกันเนี่ยนะก็ไม่มีความต่างกันพระอัญญาโกณธัญญาบรรลุเป็นพระอรหันต์ฉันใดพระสุพัทธะก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ฉันนั้นแล้วก็อันนี้เป็นเหตุผลที่สองนี้มาเข้าเหตุผลสุดท้ายว่าเหตุผลสุดท้ายเนี่ยเนื่องจากว่า พระาธาตุของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่บุคคลทั้งหลายเนี่ยเคารพมากในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเพราะมนุษยโลกทั้งหลายเนี่ยใครใครก็ต้องการพระศรีระธาตุของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยบุคคลต้องการศรีระธาตุพรงมากพร้อมที่จะทําสงครามกันเพื่อแย่งพระธาตุของพระองค์ทีนี้บอกว่าพระนนท์ก็เหมือนกันนะมีอยู่ครั้งหนึ่งพระนนท์ก่อนจะปรินิพพาน พระนรุณไปอาศัยอยู่ฝั่งแม่น้ําแห่งหนึ่งท่านก็อยู่ฝั่งนี้มั่งอยู่ฝั่งนู้นมั่งอยู่ฝั่งนี้มั่งอยู่ฝั่งนู้นบ้างอะนะระหว่างเมืองมันมีสองเมืองอยู่ฝั่งคนละฝั่งทีนี้ก่อนที่พระนรุณจะปรินิพานเนี่ยประชาชนต้องการให้ปรินิพานอยู่ในฝั่งของตัวเองไม่อย่างนั้นเนี่ยจะต้องเรื่องราวลุกลามใหญ่โตแน่ท่านทำไงท่านปรินิพานกลางอากาศแล้วก็แบ่งพระธาตุให้สองส่วนเนี่ยนะไม่งั้นสงครามแย่งชิงพระธาตุมันจะเกิดขึ้น คนทั้งหลายเนี่ยบอกว่าเออแล้วเนี่ยเออเาทำบุญทำไมยุดติดขนาดนี้คือก็อย่างว่าเป็นสิ่งที่เขาห่วงแหนเนี่ยนะคือคืออย่างว่าเนี่ยนะบอกว่าเป็นเป็นความห่วงแหนถ้าคนทั้งหลายที่ยังต้องอาศัยทานอาศัยศีลอาศัยภาวนาอยู่จะให้เขาไม่ห่วงแหนเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะปรารถนาอยู่แล้วว่าอะไรเป็นที่มาแห่งบุญเป็นที่มาแห่งผลของบุญเขาก็ขวนขวายที่จะทา ในสิ่งเหล่านั้นแต่สําหรับผู้ที่เห็นอริยสัจไปแล้วเนี่ยนะเรียกว่าข้ามพ้นไปแล้วก็ไม่มีปัญหาเปรียบเหมือนอย่างว่าผู้ที่หากว่าพ้นจากเอางีนะไปอินเดียเนี่ยกลับมารูปีเราใช้บ้านเราไหมทําไมอะ่ะอ่ะแต่อยู่อินเดียนี่สทิ้งรูปีเลยไม่ไม่เอาแล้วรูปีเอาไหมไมันต้องใช้ใช่ไหมฉันใดผู้ที่ยังไม่บรรลุมรรคผลก็ฉันนั้น ยังต้องอาศัยบุญยังต้องอาศัยทานยังต้องอาศัยศีลยังต้องอาศัยการเจริญกุศลธรรมอีกมากสําหรับผู้ที่ยังอยู่ในวัตตะทั้งหลายเว้นไว้แต่ผู้ที่พ้นจากวัตฏะไปแล้วทีนี้ถ้ายังไม่พ้นจากวัตฏะทาไงก็ต้องอาศัยทำบุญแล้วที่มาแห่งบุญนาบุญที่ไหนจะยิ่งใหญ่เท่ากับพระพุทธเจ้านาบุญที่ไหนจะยิ่งใหญ่เท่ากับผ้าทหารทั้งหลายแล้วจะทําทยังไงจะได้วัดถุกเป็นที่ตั้งแห่งบุญเนีย่ยนะก็แย่งชิงกันขึ้นเนีย่ยนะ เพราะทุกคนก็มีแต่ความรักในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะและรู้อยู่แล้วว่าการบูชาพระพุทธเจ้านั้นะจะมีผลมีอา น, นิสงส์อย่างไรทีนี้แล้วมานะกษัตริย์ด้วยล่ะบวกกับมานะกษัตริย์เข้าไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ให้ท่านเท่านั้นหรือที่ดื่มนมแม่ข้าพเจ้าก็ดื่มนะท่านเท่านั้นที่ไหมที่เป็นลูกผู้ชายข้าพเจ้าก็ลูกผู้ชายเพราะฉะนั้นจะแสดงทละให้ดูแบบทุกคนก็ลําพองกันเต็มที่เนี่ยนะ บอกแต่ถ้ารบกันจริงกิงกษัตริย์เมืองกุสินาราชนะพระเทวดาเป็นพวกพระเทวดาเขายัางไรเขาก็ช่วยแล้วเทวดาให้ฝนตกมาทับพวกนั้นก็แตกหมดแล้วเนี่ยนะไม่ต้องไปรบอะไรหรอกนะ<ส>นี่แต่ตรงนั้นเหตุผลคือหลักก็คือที่โปร่งมาปรินิพพากุสินาราเพราะโทนตพรามโทนตพรามคนนี้แหละจะเป็นผู้ที่ห้ามอย่าศึกได้เนี่ยนะเป็นผู้ที่เรียกว่าอะไรนะ อย่าศึกได้อะเพราะอะไรเพราะพวกที่มารบทั้งหมดนั้นลูกศิษย์โทนตพราบทั้งหมดเนี่ยนะก็ต้องอาจารย์ใหญ่นั่นแหละออกโรงเองนั่นแหะจึงจะจึงจะช่วยได้และโทนตพราม์เนี่ยเขาเป็นใครเขาบอกว่าเขาเป็นพระอนาคามีนะโทนตพราณนี่เป็นอนาคามีมันก่อนที่จะกล่าวถึงข้อความในมหาปรินิพพานสูตรข้อความที่โทนตพราณ์อย่าศึกแล้วก็แบ่งพระาธาตนั้นมากล่าวถึงเรื่องราวของท่าน ที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าและตรัสรู้เนี่ยนะข้อความในโทนสูตรอังคุตรณิกายจตุการนิบาศข้อ36หน้าหนึ่งร้กล่าวว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จพระพุทธดําเนินเดินทางไกลยอยู่ในระหว่างเมืองอุกัทะกับเมืองเสตัพยะแม้โทนตพราบก็เดินทางไกลยอยู่ในระหว่างเมืองอุกัทะกับเมืองเสตัพยะก็เดินตามกันไป ทนตะพรามได้เห็นรูปจักรในรอยพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าะนะเคยเคยเห็นล้อล้อจักรไม่ล้อแบบล้อเกวียนนะเขามาล้อจักรก็คือล้อเกวียนน่ะล้อเกวียนที่ประกอบด้วยซี่นับเป็นพันมีซี่เป็นพันซี่อ่ะแล้วก็มีกงมีดุมกงก็คือตัววงล้อมวงล้อมรอบนอกเรียกว่ากงแกนกลางใหญ่ๆเรียกว่าดุมแล้วก็มีซี่ระหว่างดุมกับกรงเนี่ยนะซี่นั้นเป็นพันพอเห็นปั๊บ เป็นรูปพุทธบาทที่ประกอบไปด้วยลักษณะการพร้อมสับเห็นแล้วก็ประหลาดใจก็เลยคิดว่าเอ็นี่ไม่ใช่รอยเท้าของมนุษย์แน่เอ็นี่รอยเท้าของใครเนี่ยนะใครนะยิ่งใหญ่ขนาดนี้ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จแวะไปประทับอยู่ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งนั่งคูบาลังตั้งกายตรงดำงรงสติเอาไว้เฉพาะหน้าคือเหมือนกับว่าให้เขาเดินชมรอยพุทธบาทไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อย สารพระองค์ก็ไปประทับนั่งที่โคนร่มไม้โทนตะพรามเดินตามรอยพระบาทไปไปพบพระองค์ซึ่งดูผุดผ่องเนี่ยนะก็พระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีโดยผิวธรรมดาทั่วๆไปของพระองค์ก็ผิวเป็นเหมือนกับทองธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่เรียกว่าทองคําชมพูนุตอยู่แล้วและเพียบพร้อมไปด้วยมหาบุริษลักษณะทั้ง32ประการมีและรสมีแผลซ่านออกากาด พระวรกายเมียอนุพยัญชนะตกแต่งภายในพระสรีระอีกแปดสิบประการเนี่ยนะแล้วก็สภาพจิตของพระองค์ล่ะอันนเป็นจิตที่เป็นมหากิริยาจิตเป็นจิตที่เป็นมหคัตจิตและโลกุตระจิตเป็นสมุทฐานนั้นอุตุโภชนะเป็นต้นในยุคนั้นนั้นพระองค์จึงเป็นผู้ที่มีบุญมากนะพะเห็นปั๊บก็น่าเลื่อมใสรอบด้านเห็นแล้วใจเนี่ยเหเห็นแล้วสบายใจเลยอ่ะนะมีความสุขมากที่ได้เห็นพระพุทธเจ้า พลันอินซีของพระองค์นี่ก็สงบเนี่ยนะดูจากตาแล้วสงบไม่ใช่เป็นคนตาตื่นบอกว่าความสงบบางทีเนี่ยบางทีเขาวัดกันที่อะไรที่ตาก่อนถ้าถามว่าคนเนี่ยแหมอยู่นั่งอยู่สามนาทีเนี่ยกลิ้งตาได้เจ็ดสิบเจ็ดรอบเนี่ยยมว่าเขาเป็นยังไงสงบไหมสงบหรือฟุ้งซ่านเนี่ยนะนก็บางทีบางแต่มันก็เป็นอย่างนั้นนะโอ๊ยนั่งสวดมนต์แล้วก็ดูชมดาวชมเดือนมาไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยนะมันจะบอกว่าสงบเป็นจะเป็นไปได้อย่างไรพลันคนที่เป็นคนที่อิน อินทรีย์สงบแต่ไม่ใช่ว่าหลับตาก็หลับสนิทไปเลยเนี่ยนะก็ไม่ใช่แต่ก็ลืมตาแล้วก็ธรรมดานั่นแหละแต่ว่าอยู่ด้วยอาการที่สงบแล้วก็มีตาเนี่ยมันเป็นหน้าต่างบอกถึงใจนะตาเนี่ยนะบอกว่าความแปรไปแห่งสีมันประกาศข้อความถึงในหาไทยก็หมายเขาว่าเขาบอกว่าคนแม้แต่หลับไปแล้วนะยังทำตาให้สงบไม่ได้หลับแล้วก็ยังกลิ้งเกลือกตาอยู่ดี แม้แต่ฝันเนี่ยนะเขาบอกว่าฝันเนี่ยเขาบอกว่าดูอะไรดูจากดวงตาที่ตอนที่กําลังหลับเนี่ยทําจิตจชรูปอยู่ตลอดมันขยับตัวอยู่ตลอดเนี่ยนะเว้นไว้แต่หลับสนิทนะจึงจะ น, นิ่งแต่ถ้าหลับไม่สนิทถ้าหลับแล้วฝันเนี่ยตาเนี่ยมันจะกลิ้งกร อ, อกกลิ้งกร อ, อกกลิ้งกร อ, อกตลอดอยู่ในเพราะฉะนั้นผู้ที่มีใจสงบเนี่ยก็ดูได้อันหนึ่งถ้าดูจากภายนอกก็ดูจากดวงตาแล้วก็มีเมตตาหรือไม่ก็ดูจากแววตาเป็นต้นเพราะฉะนั้นภาพลักษณ์ที่ออกมาเนี่ยนะ ทั้งสีหน้าเวลตากิริยาท่าทางเนี่ยสรุปว่าประทับใจโทนทพรามเนี่ยนะที่ได้เห็นพระพุทธเจ้า แ, แลดงรู้เลยว่าผู้ที่เป็นเช่นนี้เนี่ยได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีนะประชาชนทั้งหลา ย, ฝ, ายกกฝึกภายนอกก็ฝึกด้วยวิชาการทั้งหลายแต่พระพุทธเจ้าฝึกด้วยศีลสมาธิปัญญาฝึกด้วยอรหัตตมัชอรหัตผลฝึกด้วยอริยอรหัตตมัช สงบด้วยอรหัตผลทั้งหลายเป็นผู้ที่ฝึกด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะครบถ้วนสมบูรณ์เป็นผู้ที่คุ้มครองอินทรีย์อินทรีย์หกตาหูจมูกลิ้นกายใจได้รับการรักษาแล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสรุปว่าเห็นแล้วเลื่อมใสามากเลยนะเพราะฉะนั้นสัตยินทรีย์นี่มีกาลังก็ไปกราบทูลถามปัญหาแต่เป็นการถามปัญหาถึงอนาคต เป็นการถามปัญหาว่าอนาคตต่อไปอท่านจะเป็นอะไรคือคนที่มีลักษณะแบบนี้ปั๊บเนี่ยเขาไม่ถามว่าเห็นเนเนี่ยเห็นอเนอยู่แล้วละ่ะเฉพาะภาพลักษณ์ที่เห็นเฉพาะหน้าเห็นแล้วก็เลยถามว่าถามเป็นคําถามถึงอนาคตว่าท่านผู้เจริญท่านเป็นเทวดาหรือก็แปลว่าไปถามก็แต่เขาเขารู้กันนะแต่พูดแบบภาษาเราเต็มก็บอกว่าอนาชาติหน้าท่านจะเป็นเทวดาใช่ไหมบอกเราไม่เป็นเทวดาหรอกพราหมณ์แล้วชาติหน้าท่านจะเป็นคนทันใช่ไหม ไม่เป็นงั้นชาติหน้าท่านจะเป็นยักษ์ใช่ไหมคำว่ายักษ์เนี่ยแปลว่าคนที่เขาบูชาเนี่ยนะเป็นเทพผู้มีอํานาจมากคนต้องมาบูชาทั้งหมดท่านจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมบอกเป็นไม่เป็นงั้นท่านจะเป็นมนุษย์ใช่ไหมชาติหน้าไม่เป็นทวณพราหมณ์ก็บอกว่าข้าพเจ้าก็ได้ถามว่าท่านเป็นเทวดาเป็นคนทันเป็นยักษ์เป็นมนุษย์ท่านก็ตอบว่าไม่เป็นไม่เป็นแล้วถ้าเป็นอย่างนี้แล้วท่านเป็นอะไรตกลงชาติหน้าท่านจะเป็นอะไรอะไร องค์ก็บอกว่าเราเป็นเทวดาเป็นคนทันเป็นยักษ์เป็นมนุษย์เพราะอาสวะเหล่าใดอาสวะกามาสวะพวาวสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะนี่แหละเป็นตัวที่เป็นเหตุให้เกิดเป็นเทวดาเป็นคนทันเป็นยักษ์เป็นมนุษย์ผู้ที่ละอาสวะทั้งสี่ประการไม่ได้ก็ไม่พ้นจากเทวดาคนทันยักษ์หรือ มนุษย์ส่วนอาสะวะเหล่านั้นกามาสะวะภาวาสะวะทิฏฐสะวะอวิชชาสะวะที่เป็นเหตุให้เกิดเป็นเทวดาคนทันยักษมนุษย์เราได้ละเสร็จสิ้นแล้วละพร้อมทั้งมูลรากของมันด้วยนะไม่ใช่ละแต่อาสะวะนะั้นถอนรากออกมาทุกเส้นรากของอาสะวะคือราคะโทสะแลโมหะรากเหล่านั้นเราถอนเสร็จสิ้นแล้วทําให้เป็นเหมือนกับตามยอดด้วนเรียกว่าต่อตาม น, นะนะทําให้เหมือนต่อตานแล้ว เคยเอาเงาตาลไปเพาะไปปลูกได้ไหมเอาไปเบ้าได้ไหมเขาก็มีต้นไมห้หลายประเภทถ้าต้นมันโตขนาดนี้เขาตีมูลค่าได้นะอย่างสมมติว่าต้นต้นอะไต้นตีนเป็ดนะต้นพญาสัตบัญใบ7็ใบเนี่ยนะเขาก็าเอาต้นโตๆนะไปตัดแล้วก็เบ้าเอา เ, อาเพาะไปปลูกเอาตัดเบ้าต้นขนาดนี้ราคาห้0 0 0ืนต้นขนาดนี้ราคากี่หมื่นก็ว่ากันไปเรื่อยๆเอาเบ้าเอาไปปลูกได้ไปขอซื้อเงาตาลมาปลูกมา้ยเอาไปขอเบ้าเอ า, ต, รารต้านละต้นตาลเนี่ยไปขุดเอามาเลยนะได้ไหมเพื่อน ไม่ได้เอาไปเอาตอตาเนี่ยมาเบ้าเพื่อมันจะงอกขึ้นดอกไม้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนกับกลุ่มตอตาเรือแต่ตอแล้วเนี่ยนะเรือแต่ตอแล้วแล้วก็รากก็ทอนหมดแล้วเพราะปลูกไม่ขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยนะจะไปเพาะให้พระองค์เกิดเป็นเทวดาก็เพาะแล้วไม่งอกไปเพาะเป็นคนทันก็เพาะไม่งอกคนทันนี่คือเทวดานักร้องใช่ชาติหน้าท่านจะเป็นนักร้องผู้ยิ่งใหญ่คล้ายๆแจ็คสันหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ไม่ได้ไปเป็นเทพพวกเทพนักร้องมนุษย์นักร้องไม่เป็นทั้งนั้นแหละ แล้วเป็นยักษ์ใช่ไหมบอกว่าเป็นยักษ์ที่แบบแม้ใครก็ต้องมาบูชาใครก็ต้องมาเส้นมาสวงเนี่ยต้องอย่างนั้นไหมบอกไม่เป็นเป็นมนุษย์ใช่ไหมมองไม่เอาเพราะอะไรเพราะสาเหตุที่จะไปเพาะให้เกิดในมนุษย์เทวดาคนทันเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วเราถอนหมดแล้วทําให้ไม่มีในภายหลังแล้วมีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกเป็นธรรมดานี่ไงพราหมนะนะบอกว่าคนในโลกนี้จะเข้าใจเนื้อหาได้ก็ต้องอาศัยอุปมาแล้วอุปมาให้ฟัง ดอกอุบลก็ดีดอกปทุมก็ดีดอกบุญทริกก็ดีดอกบัวนะดอกบัวเหล่านั้นเมื่อเกิดก็เกิดในน้ําเจริญเติบโตในน้ําตั้งขึ้นมาแล้วก็อยู่พ้นน้ำํำพออยู่พ้นน้ําโผล่ออกมาบานแล้วเนี่ยน้ําก็ไม่คํำซาบเข้าไปฉันใดตัวเราเองก็ฉันนั้นเกิดขึ้นในโลกเติบโตมาแล้วในโลก แต่เราก็อยู่เห น, ออเนือโลกนนะอยู่เหนือโลกพ้นจากโลกหมดแล้วโลกไม่เข้ามาคำทราบใจของเราได้อีกต่อไปนะำทราบด้วยกามราคะปฏิฆะกำทราบด้วยอกุศลธรรมทั้งหลายกำทราบใจเราไม่ได้อีกแล้วแหนะพรามสรุปว่าเราเป็นพระพุทธเจ้าผู้รู้อริยสัจทั้งสี่ประการ